ลา ل าลาวลวลด م นะฮมลิฟูรูจิห์หมข้าวُ و ดุน ي อจะห์ลาลาลา ي ن ดีนะฮมลิฟหม و ا ل ّ ذ ي ن ه م لأماناتهم وعديهم ر اللقرء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله ل ا ه و ح د ه لا شريك له و د ل ل ه, له. ه د أن ح م د ا ه و ر س ل ه ا ل ل ه ن ا ن ับิก ن อัมซาย و าว ب บิกะนัพยาวับ ل กะนโ ا ل ุวะอิเลิกะนุชูร์อัลกَบิก ل ลิมัติลลาฮิ ل ามัติมินชัรริมะฟลักบิสَิَลาฮิลลาฮิลลายาِซุลลาะอัลลอฺَมะอัลหมิฮิชาอِุลَฟิลลอร์ดีและฟิลส์มาวะฮฺวะสัมิอุลอِลิมรดิดุบิลลาฮฺรับบะวับิลิสลามิดีนาวับิมุฮัมมัดอิَลัซ ل ุล اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الك ا ك ال ع ع د د ل ك ب s a ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ا نفسه و ز ن ة ع ر ش ه و מ د ד ة كلماته Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, พี่น้องที่ร่วมนมาสซุบบาที่รัฐทั้งหลายครับอัล h ม m d u l i l l a h ก่อนอื่นต้องชุกรขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาละที่อัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่บางคนอัลลอฮ์ให้หลับไปแล้วหลับเลยนะครับหมายถึงตาย ดอาที่พืน้องมุสลิมทุกคนจะต้องนึกถึงอัลลอ์ก็คือดูอาเมื่อเราตื่นจากที่นอนให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอยานะบดมอามตานะฮินชูแล้วก็ดูอาเข้าห้องน้ำดูอาหลังจากออกจากห้องน้ำดูอาอาบน้าน้าเสร็จแล้ว ดูอาออกจากบ้านดูอาขึ้นรถดูอาเข้ามาสัสยิดต้องต้องนึกถึง AH. อั AH, ลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาเขาเรียกว่าหัวใจที่รอบบานียิ้มหัวใจที่ยงกับอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสได้มานั่งทบทวนอัลกุรอานนะครับที่บ้านของอ AH, ัลลอฮ์แล้วก็วายตาดาวลซูลแล้วก็ หาความรู้หาความเข้าใจจากอัลกุรอานวันหนึ่งวันละอาทิตย์ละครั้งแค่ชั่วโมงเดียวนะประมาณห้าอายะหกอายะแต่วันเนี้อาจจะเป็นกี่อายะนะเจ็ดแปดอายะยาสันส้นๆนะครับนี่เป็นความรู้ทั้งหมดถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจฟังหาประโยชน์จากอัลกุรอานมันทุกอายะนะ่ะมันเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเลย ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้ทบทวนกัรภานวันนี้มาถึงสุร่าอัลมุมินูนนะครับสุร่าที่23เราผ่านมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประมาณ4อายะ4อายะดูกันขอทวนนิดหนึ่งนะครับอายะ 3-4 อายะที่ผ่านมาก็คือสังเกตนะครับสังเกตนะก ורד อัฟละฮันมุมินูนคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ทวาาศรัทธาเนี่มาต้องหกประการนะศรัทธาต่ออัลลอส์ศรัทธาต่อมลายิกาศรัทธาต่อคำภีของอัลลอส์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอส์ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่อกฎกรอกฏดกฎแห่งสภาวะที่อัลลอฮ์กำหนดต้องศรัทธาหกข้ออธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้สามข้อเอาไว้ในหัวใจ อีกสามข้อเนี่ยเอาวางไว้ข้างหน้าเราสามข้อในหัวใจก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคยรศรัทธาต่อกฎกรดกรดัดของอัลลอฮ์ Allah. ที่เรานั่งกันอยู่ในมัสยิดเช้านี้เนี่ยไม่ใช่ด้วความบังเอิญ น, นะอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วตัววันนี้เนี่ยเราจะเรียนตักซิดอาญาณีสุรานี้กําหนดแต่หมดแล้วแต่มีคนสนใจนั่งฟังกี่คนรู้หมด ไม่ใช่เพิ่มมาเกิดวันนี้เราเอาลัลลอฮ์กำหนดบันทึกเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วก่อนที่จะถึงวั น, นวันนี้โดยซ้าไปขอบคุณอลัลลอฮ์เนีกดกดรอกฎใ ด, ด, ด, ด, ดของอลัลลอฮ์ทั้งหมดคร้าไครสุขใครสบายใครเจ็บใครไดป่วยต้องนึกว่า น, นี่อลัลลอฮ์ส่งมาทั้งหมดมาส่งมาแล้วก็ต้องรักษาอย่าปล่อยอลัลลอฮ์ให้ให้ป่วยอลัลลอฮ์ให้หายอย่าไปคิดอย่างงั้นอลัลลอฮ์ให้ป่วยหน้าที่เราก็ต้องไปหาหมอ นะครับได้รับยามานี่หน้าที่ของเราหน้าที่ของอัลลอ์ก็ให้ให้เป็นให้เป็นกี่วันให้หายเมื่อไรหน้าที่ของอัลล อ, อ์แต่เราก็ต้องรักษานะทีนี้บางคนเนี่ยไปผูกพันกับยาถ้าผูกพันกับยาแสดงว่า อ, า อ, อัลลอฮ์เน่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่พึ่งป่าไม่ใช่ที่พึ่งแล้วว่าเรามหาหมอเป็นที่พึ่งโคงสนตูท้ายไม่ใช่อัลล อ, อ์ต้องเป็นที่พึ่ง อันแรกแล้วอันสุดท้ายฮุวลอาววลุวล่วววววาคือเทวานุอาก็อยู่นี่ไหมอัลลอฮ์เป็นองค์แรกและอัลลอฮ์เป็นองค์องค์สุดท้ายฉะนั้นเจ็บไข้ใดป่วยต้องไปหาหมออยากคิดตัวยานั่นทำให้หายไม่ใช่ผู้ที่ให้หายคืออัลลอฮ์สุบฮะนะฮุวาตาอัลดาให้ป่วยกี่วันเราไม่รู้ป่วยเจ็ดวันวันที่เจ็ดเหายหลังอัสรีหายอัลลอฮ์กำหนดไปแล้วแต่เราไม่รู้ไง แล้วก็พอเริ่มป่วยใน้สองวันสองวันไอแล้วเกิดอ้าไปหาหมอเอายามาทานแล้วมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฉนันอัลลอฮ์เป็นองค์แรกแต่อัลลอฮ์เป็นองค์สุดท้ายที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพึ่งพาอาศัยอัลลอฮหุสธมัมอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของมนุษย์ทุกคนนะครับทีนี้อัลลอดีนะฮุมฟีสซาลัติฮิมคอเชลลักษณะของผู้ซาลาต่ออัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยนามาเห็นไหม นมาศแบบไหนครับมันต้องนมาศด้วยหัวใจที่ขูชูอัลลอฮฺอลัลกบไม่ใช่เพียงแต่นมาศอย่างเดียวนะพอเริ่มต้นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺจะต้องนมาศนมาศแบบไหนด้วยหัวใจที่นอ บ, น, อบน้อมแล้วก็ท่อมตนทีนี้เมื่อนมาศเสร็จแล้วสังเกตนะข้อที่สามเนี่ยคนที่เป็นมุมลินไม่สนใจเรื่องไราสาระเรื่องไร้สาระมีอะไรบ้างเน่ยทะเลาะกัน ด่ากันนั่งนินทาการวิษยาเรื่ไราสาระทั้งหมดฟังเพลงดนตรีละครไร้สาระทั้งหมดดูมวยดูนู่นดูนี่เรื่องไร้สาระทั้งหมดเนี่ยมุ่มินจะต้องออกห่างหรือหันหลังหรือหลีกเลี่ยงจะเรื่องไร้สาระต่างๆเหล่านี้เท่าที่มีความสามารถจะทําได้ข้อที่สาม วันละีนาหุมลิสกาติฟาอิลูน zakat ตรงนี้เนี่ยแปลว่าซักฟอกหัวใจให้สะอาดแต่คำว่า zakat นี่นะพอจ่ายซาตังออกไปแล้วมังใจมันก็สะอาดแล้วทำไปซัส์สมบัติที่เหลืออยู่มันก็สะอาดด้วยฉะนั้นคำว่า zakat นี่จะแปลว่าจ่าย zakat ก็ได้จะแปลว่าซักฟอกหัวใจให้สะอาดก็ได้แต่ตรงนี้นะอุลมามะส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าให้แปลว่าซักฟอกหัวใจให้สะอาดนะครับ มีทั้งหมดกี่ข้อนะอยากให้มีอยู่ในใจเนะี่ยเจ็ดข้อด้วยกันเอาเจ็ดข้อมีอะไรบ้างหนึ่งชิริกอย่าให้มีในใจสองรียาโออวดจะทําอะไรก็ให้คนอื่นเห็นหมดลนะอวดหมดอวดหมดอย่ามีอย่ามีามข้อที่สามตะการ บ, บุตรเยียยิงยะโสโอหังข้อที่สี่อิฉาริษยาข้อที่ห้า การเกลียดชังกันการเป็นศัตรูกันนี่เอาลอ็อไปไว้ในใจของคนทุกคนนั่นแหละแล้วลคนที่ขจัดได้ไหมขจัดได้ขจัดแบบไหนนะเอาอีมานเนี่ยเอาอีมานเรียนอีมานเยอะๆขจัดสิ่งเจ็ดประการนี้แบบง่ายได้ข้อที่ห้าบุกดุลการเป็นศัตรูข้อที่หกละโมบงบละโมบอยากได้เยอะๆกินรวบไม่กินแบ่ง ข้อที่เจ็ดบุคลุนตานีขีเหนียวอันนี้แปลว่าจัญจของคนทุกคนนะครับทีนี้ทำไงอ่ะต้องขจัดออกก็คือเอาอีมานนี่แหละเรียนรู้เรื่องอีมานเยอะๆสามารถขจัดไอ้เจข้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งร้ายอ่ะที่จะทําลายความดีในตัวของเราสะสมความดีมาตลอดทั้งชีวิต ถ้ามีเจ็ดประการนี้หรือมีแค่สองประการหรือสามประการหรือหนึ่งประการเอาไว้ในใจของเราไม่ยอมขจัดออกนะมันจะทำลายความดีของเราทั้งหมดแลเพราะมันเป็นมะเร็งร้ายนะครับเอาต่อมาครับวันลาซีนาฮุมลิฟูรูยิมฮาฟิรูนและบรรดาผู้ที่อะไรนะรักษาอ่า วันละีนาหุมลิฟูรูยิหิมฮาฟิรูนและบรรดาผู้ที่รักษาฮาฟิรูนก่อนเวลาไปไปฮาฟิรูนก่อนและบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้ฮาฟิสท้าฮาฟิสใช้กับากุรอานแปลว่าท่องจำอัลกุรอานท้าฮาฟิสตรงนี้เป็นผู้ที่รักษานะครับรักษาอะไรครับลิฟูรูยิหิมอวัยวะเพศของพวกเขา หรือแปลให้พ่อหน่อยก็สิ่งพึงสงวนของเขาแต่ครับอวัยวะเพศของเขาต้องดูแลให้ดีนะครับคำว่าอวัยวะเพศนี้ไหมยอย่าให้มีคาว่าศีนาไม่ล่วงในกามไม่ทำศีนานะครับต้องรักษาอวัยวะเพศของเขาให้ดีอย่าอะไร น, นะอย่าทำศีนา แม้แต่สําเร็จความไข่ด้วยตนเองท่านอิหม่ามซาฟินีพูดว่างไงรู้ไหมการสําเร็จความไข่ด้วยตนเองก็เป็นที่ต้องห้าหมพารามอิหม่ามซาฟีนีพูดนะอิหม่ามชาฟิอีนะพูดว่างไงนะสําเร็จความไข่ด้วยตนเองก็เป็นที่ฮารอมนะครับทีนี้รักษารักษาอวัยวะเพศเนี่ยไม่ให้ทำเจนาไม่ให้ร่วมในกามเนี่ยทำไง ต้องลดสายตาของเราเนี่ยอย่าจ้องมองเพศตรงข้ามเยอะนะถ้าจ้องตลอดเวลานะอารมณ์มาล่ะ ว, วิธีลดก็คืออย่าจ้องมองเพศตรงข้ามอย่าอ่านหนังสือโปอย่าไปยืนวันอาทิตย์นะ่ะบนอะไรนะแผงหนังสือพิมพ์ก็จ้องดูภาพโปโปโปโปอารมณ์มาเลย แค่นั้นเราต้องหลีกเรี่ยกถ้าเรารู้เราเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างแรงอนะก็พยายามหลีกห่างจากเรื่องเหล่านั้นอย่าอ่านหนังสือโป้อย่าจ้องมองดูผู้หญิงใช่ไหมลองพยายามถือสินอดเยอะๆอนี่วิธีปกป้องนะถ้าเราเป็นคนหนุ่มและเป็นคนสาวยังไม่มีสามีไม่มีภรรยาวิธีปกป้องเอาไว้ว่าเพศที่ดีที่สุดก็คืออย่าจ้องมองเพศตรงข้ามอย่าซื้อหนังสือโป้มาอ่าน ตายหมอนี่เป็นหนังสือโป้ะนั่นเลยสี่เล่มห้าเล่มอ่านทุกคืนอะไรมันจะเกิดก็เกิดเจ้าว่ามีอารมณ์ฉะนั้นวิธีปกป้องก็คืออ่านอัลกุรอานเยอะๆใช้มัสยิดเป็นที่เป็นที่เป็นที่ทําอิบอด้าให้มากกว่าแล้ก็อย่าออกไปสี่ขอนเยอะจะไม่พยายามเดินอยู่ในบริเวณนี้เยอะๆหน่อยอยู่ในบ้านเยอะนั่งอ่านกรุรอานเยอะหน่อยอารม์ก็จะปกป้องละมันขอทุกอาต่อถ้าทนไม่ไหวจริงๆสกิบยอ่อ พ่อจะฉันจะแต่งงานแล้วทนไม่ไหวแล้วผู้หญิงก็เมืการถ้มีอารมณ์เซ็กก็บอกมะฉันจะแต่งงานแล้วไม่อยากไม่ไว้อยู่ไม่ไหวแล้วก็ต้องคุยกันให้มันชัดเจนกาจะนั้นการรักษาอาวัยวะเพศอัลลอฮ์สั่งนะอลัลลอฮ์นี่อลัลลอฮ์สั่งนางจะนั้นถ้าเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นามาตครบนะครับรักษานามาตนมาตแบบผู้ช่วยแล้วก็เรื่องไรายสารไม่สนใจ แล้วก็ซักข้อหัวใจจากเจ็ดข้ออย่าให้อยู่ในใจเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วต่อมารักษาอวัยวะเพศนะครับดูแลให้ดีนะดูแลให้ดีนะเอาต่อมาครับอิลลอา่าอัลวาจิฮิมอุมะมาลักต์อิมานุฮุมฟะอินนฮุมไรรูมัลูมิน อิลล้า على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ا, إ ل a ه أكبر อิลล้าแปลว่าเว้นแต่เรียกเว้นเอาล่ะอาสวะจิฮิมแก่คู่ครองของเขา ต้องรักษาอวัยวะเพศให้ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าหากมีภรรยามีสามีมีคู่ครองอันนั้นไม่มีปัญหาผ่านการนิก้าที่ถูกต้องถ้าผ่านนิก้าที่ถูกต้องแล้วจบอลังห์ดุลิลล์แต่ทีมารยาททีมีอีกอ่ะหลังจากนิก้าไปแล้วทำยังไงข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นบีสอนไว้หมดจะนั้นต้องหาต้องศึกษาหาความรู้ตรงนั้นด้วยนะครับ ไม่ใช่เพียงแตง่แต่งแต่งแต่งอย่างเดียวนะต้องหาความรู้หลังจากได้ภรรยาไปแล้วทำตัวยังไงเลี้ยงดูยังไงจะไม่พูดจาอย่าง ไ, รไา ง, ไงรักษาครอบครัวอย่าให้ทะเลาะกันก็มีวิธีการอีกอะ่ะคุรอ่านสอนไปหมดและสุนนนาบีก็อธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับอิลลอัอาซวาจีฮิมเว้นแต่แกคู่ครองของพวกเขาเมื่อได้แต่งงานแล้ว เอามามาละกัดไอมานนหุมแล้วก็ไอมามาละกัดแปลว่าอะไรนะทา่าที่อยู่ใต้การปกครองของท่านทั้งหลายมันมีเรื่องทะเลาะ ก, กันตรงนี้แต่งหรือไม่แต่งทา่าเนี่ยที่มาอยู่กับเราเนี่ยจะต้องดิการกันไหมหรือว่ามาอยู่เป็นทา่าแล้วก็ร่วมรับนอนกับนายจ้างได้ เดี๋ยวนี้ทาตไม่มีแล้วเดี๋ยนี้ธาตหมดแล้วแต่น บ, บีต้องการจะอะไรนะจะยกเลิกทาตุนั่นกันน บ, บียกเลิกไม่ยกเลิกทาตมันตลอดเแล้วนี้ทาตไม่มีแล้วแต่โอกาสจะกลับมามีไหมอาจจะมีอีกก็ได้เราไม่รู้แต่อุลามาหลายท่านอธิบายว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นทาตอีกมีไหมมีครับใกล้วันเกมาอาจจะมีทาตอีกก็ได้อเพราะฉะนั้น มีเรื่องมีเรื่องฮะดีสบทหนึ่งอธิบายอย่างนี้มีสามีคนหนึ่งเขามีทาสอยู่อยู่อยู่ที่บ้า น, นและทาสคนนี้สวยนอนกับภรรยาเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นผู้ชายยังลุกขึ้นไปนอนกับทาสภรรยาก็ตื่นมาเอาสามีไปไหนอ่อ่าไปนอนอยู่กับทาสเห็นเห็นนี่เข้าครัวเลยเอามีดออกมาต้องการที่จะเล่นงานนะ่ะ บอกเธอมานี้สิบอกมีอะไรหรือไปอยู่กระท่าทำไมบป้ามาอยู่แน่นะบอแน่ไม่อยู่สามีก็อ่านกุรานให้ให้ภรรยาฟังวันนั้นเข้าใจกันว่าถ้าอ่านกุรานคนมีน้ํายูนุกเนี่ยอ่านอ่านคุรานไม่ได้เพราะสามีอ่านคุรานสามภรรยาก็ยิ้มออกอไม่ปไปได้ปล่อยไ ป, ไ ป, ป, ยไปน อธิบายยังไงมนะันอธิบายว่าสามีเนี่ยโกหกภรรยาได้บ้างในบางโอกาสโกหกบาปไหมไม่บาปเพื่อไม่ให้ปัญหามันมีทะเลาะกันก็โกหกกันได้ในเล็กน้อยแต่ยังให้จับได้ก็แล้วกันจับได้มันมีเรื่องแน่โ <c oughs> กหกภรรยาได้ไหมได้บางเรื่องบางรายกตัวอย่างเช่นภรรยาว่าฉันต้องการมีทองสักบาทหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ทองบาทเท่าไหร่สองมือนะ ครั้งนีอิชอัลเดี๋ยวจะซื้อให้ปลายเดือนนั้นเดี๋สามีกับมือเนี่ยทำไมอ่รับไปกับปากไปก่อนอิชอัลลั่เดี๋ยวปลายเดือนจะซื้อให้พอปลายเดือนก็ซื้อให้ส่วนเหนึ่งหารยบาทอย่างนี้นะ่ะโกหกอย่างนี้ได้ไหมไม่บาปครับเพราะนาบีพูดเอาไว้อดังนั้นนี่อิสลามสอนละเอียดหมดดังทั้นหญิงที่เข้าใจาศาสนาเนี่ยเวลาสามีอธิบายอะไรความนะจริงจริง ก, ก็เชื่อเลยเชื่อไปก่อนพอเชื่อแล้วปัญหามีไหมไม่มี ถ้าไปเชื่อคนอื่นเนี่ยปัญหาตามมาทันทีเลยกระจายนะอาต่อไเยเอาต่อมาครับอิลลาอลาอัจวะจิฮิมอิมามาลกักต์อมานุฮุมเว้นแต่แก่คู่ครองของพวกเขาเมื่อดแต่งงานไปแล้วนะครับและทาตที่อยู่ใต้าการปกครองของพวกเขากเขา็กเรียกอยมามาลกาักตนะ ฟัยน์นาหูร้อยหูมาลูมีในกรณีเช่นนี้นะครับพวกเขาจะไม่เป็นผู้ถูกตำหนิถ้าแต่งงานแล้วอยู่กับภรรยาสามีถูกต้องแล้วนะอัลลอ์ไม่ตำหนิอัลลอ์ยังให้ผลบุญอีกนะไม่ตำหนิแล้วยังได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลลอส์ سبحانه แะุ้ต์อาลั มีผู้หญิงอยู่คนโทรพท์มาหาผมบอกสามีไม่กอดเป็นเดือนทำไง <c oughs> ผมบอกเธอแต่งตัวตามหลักอิสลามหรือเปล่าใส่น้าหอมเปล่าใส่เครื่องหอมป่าแปลงฟันเปล่าแต่งตัวสวยเปล่านะว่าทําทุกอย่างเหมือนนบีหมดใส่เคร่องหอมน้ำหอมหอมทั้งตัวเลยโอโล๋อเพราะว่าหอมทั้งตัวนี่เราฟังพระกฏใจเสียงมนะันอ๋อพระคุณ เมื่ออัลลอฮ์ให้บอกาตอบไปเลยตอบแบบนี้ทำไมเธอไม่กอดกอดล่ะ <c oughs> เป็นภรรยาย่าว่าเป็นสามีนี่อย่ามา่รอให้สามีกอดกอนทำไมภรรยากอดก่อนได้ไหมบาปไหมไม่บาปเอา้ากอดกอดอา่าแล้วก็สักสองสามอาทิตย์ต่อโทรศัพท์มาแจ้ด้วยนี่สามปีแล้วสงสัยว่าเที่ยวร้อยหมดแล้วหละ ฉะนั้นเรื่องสามีภรรยานี่นะใครสกิดก่อนได้ไม่ได้ไม่มี น, นี่งานเป็นความเมตตาของ อ, อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฉะนั้นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไหมมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ฉะนั้นมารยาทของสามีภรรยาเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องใหญ่มากเลยต้องควบคุมอารมณ์อารมณ์เจ็ดอารมณ์นี่นะอย่าให้มีอยูอย่ในหัวใจพยายามขจัดออกให้หมด แล้วก็อยู่กับสามีภรรยามีความสุขมากเลยนะต้องต้องเข้าใจกันนะต้องอ่านกูนอ่านโดยการทั้งสองคนต้องมีอีิมานโดยการตั้งสองคนนั่นแหละครับท่านหญิงไอาชาอรายงานบอกว่าในตับเซตนะครับอธิบายบอกว่าท่านหญิงไอาชาอุมุลโมเมนีมีคนไปหาท่านหญิงไอาชาที่บ้านถามว่านาบีอยู่ที่มัสยิดฉันรู้ทําอะไรอะไรฉันรู้หมดอ่ะแต่อยู่ที่บ้านนะ่ะทำยังไงอัลลอฮฺอักบาร านางตอบบอกว่าคุณไม่ได้อ่านคุรานหรือเพราะคุรานอ่านนี่สุระเนี่ยสุร์อัลมุมินูนี่นะอ่านเถอะนี่แหละมารยาของนบีทั้งหมดแหละอะไรบ้างก่อเดออัลละฮัลมุมินูนบีนเป็นมุมินที่อิมานต่ออัลลอฮ์หกข้อแล้วก็อัลลัีนะฮุมฟีซาลาติหิมข้าชัยานาบีนามาแบบกคุชว นี่มารยาทนาบีเลยนะครับกุอ่านคือมารยาทของนบีทั้งหมดข้อที่สามวันละลีนาหุมานิ ล, ลาวิมุอรีดูนนบีออกห่างหลีกเลี่ยงจากเรื่องไร้สาระเพราะว่าพอนบีมาสอนศาสนานี่นะนบีมาสอนในในสังคมที่เขาบูชารูกจเจว็กเท่าไรสรอหสิบองค์นบีมาสอนให้ลดเหลืออัลลอ องค์เดียวชาว บ, บ้านพอใจไหมไม่พอใจกันนั้นเริ่มด่านาบีกันหมดนี่แนหะการด่านาบีก็ถือว่าเป็นเรื่องไราสาระทั้งหมดนบีสนใจไหมไม่สนฉันสอนแล้วก็บอกเตือนแล้วเตือนอกีกพี่น้องก็ด่าไปกูปด่าไปใช่ไหมจ๊นนะแล้วก็นบีโมโหไหมไม่โมโหด้วยเพราะอัลลอฮ์บอกให้รู้แล้วว่าปัญหามันจะตามมานะสอนศาสนาอิสลามนี่นะ จะจะมีสังคมมันจะปั่นป่วนระยะหนึ่งนะจะถูกดา่าถูกฟิตนาะถูกใส่ร้ายเต็ไมไปหมดเลยแหละแต่นบีต้องอดทนต้องสบัด ต, ต้องสง่างามฟังแล้วก็ผ่านผ่านไปอย่าไปสนใจในเรื่องไร้สาระเห็นยังครับในอิสลามสอนดีนะดีมากครับต่อมาครับวันลาดีนาฮุมลิซักาติฟาอิลูนี่สี่ฝ่ของนบีทั้งหมดเลยนะนบีไม่สนใจเรื่องไร้สาระกี่กีเรื่องนะ เจ็ดเรื่องโดยกันนี่เป็นมาเรงของสังคมวันลาลซีนาฮุมลีฟูรูยิิมฮาฟิรูนบีรักษาอาวัยวะเพศนบีไม่ล่วงในกามนาบีไม่เคยทำสเหนานาบีไม่เคยจับมือผู้หญิงนี่นบีทำทาทำเป็นแบบไปหมด น, นบีไม่เคยจับมือกับผู้หญิงถึงจะมีผ้ารองนบีก็ไม่เคยทำแต่พวกเรานี่นะจับมือกับผู้หญิงด้วย บางทีก็มีผ้ารอกบางทีก็มีผ้ารอกถามว่าใครสอนไม่ใช่สุนันนบีการต๊ะครูทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาจับมือกับผู้หญิงยกเว้นใครภรรยาและลูกสาวเราที่แต่งงานกันไม่ได้ทนหันนะครับอิลลาอาล่อวาดิหิมอุมะมาเลกัสอิมานุหุมฟะอินนุหุมไรรุมัลูมีนยกเว้น ผู้จะเป็นสามีภรรยาการที่แต่งงานกันแล้วเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจะไม่ถูกตำหนินี่ไงสิฟัตของนบีทั้งหมดอัคลรากของนบีทั้งหมดยูนันกาบคุรานทั้งหมดนั่นเป็นการบรรยายคุรอาน้วยการบายดูอินทับส้บายแล้วนะบายดูอิงโดยการปฏิบัติด้วยการทำทำเป็นแบบอย่างเลยอัลฮัมดุลิลละต่อมาครับฟมานีบตา a l i k a faulaika hu muladun? f a m a n i b t a l a w a r o a a l i k a faulaika hu muladun? Allah tu ni dema nak. f a m a n i b t a l a man bawa pula? Naka pula i b t a l a h b e r a p สแสวงหาสแสวงหาผู้ดใดแสวงหาวารออาาดีกาหลังจากหลังจากที่ท่านที่ที่อัลลอฮฺการคัมภีร์อกุรอานเนี่ยเช่นหลังจากคือแต่งงานถูกต้องแล้วแล้วก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่งงานแล้วอะไรแล้วแต่ไ ป, ไปสแสวงหาสิ่งอื่นเขาว่าสิ่งอื่นเนี่ย เช่นอะไรนะไปทำเซน า, าเข้าบาร์ไนคลับหรือว่าสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองอทัศนคติบองพมามชาตินี้นะถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรนะเป็นบาปทั้งหมดเลยฟาอุลาอีกาหูมุลลาดูนเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ละเมิดอาดูนหมายถึงเป็นผู้ละเมิดฉะนั้นเรื่องเรื่องหนะ้าเรื่อง เรื่องเซ็กซ์เนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยสังคมที่มันปั่นป่วนวันนี้เพราะเซ็กใช่ไหมมันไม่มีใครควบคุมเซ็กเลยนะอัลลอฮฺอักบรมีบามีในทครับมีเต้นรำ ม, นนมีนู่นมีนี่เพื่อปลุกเซ็กทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ไแต่อิสลามมากำกับเรื่องนี้ทั้งหมดขดจัดเรื่องนี้ให้หมดไปในสังคมนะครับ ฟ้ามันิบตะวะวะเราะฮล็กฟาอุลอัยกะุมลาดูลผู้ใดแสวงหาทางอื่นนะครับพ้นจากหลักที่อัลลอได้กล่าวเอาไว้เช่นไปทำจินาไปล่วงในกามนะครับมีกิกนะครับมีกิกหรือมีอะไรก็ตามพี่น้องเหล่านี้แหละพวกเขาเป็นผู้ละเมิด ในภาษาอุตุอธิบายรู้ว่าเบเรซักนาฟราร์มเป็นผู้ที่ละเมิดทําบาปอย่างบาปอันยิ่งใหญ่คนที่ไปละเมิดในกามนะครับไปนอนกับผู้หญิงอื่นโดยไม่ไม่ผ่านการแต่งงานเนี่ยเป็นบาปอันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับท่านนบีเลยสั่งเนี่ยให้พี่น้องที่บ้านเนี่ยนะพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชาย นะครับพี่ชายน้องสาวเนี่ยอย่านอนห้องเดียวกันอายุเจ็ดคัวให้ฝึกให้นามาสสิบครัวนี่ให้แยกที่นอนแล้วนะอ่อชายกับผู้ชานอนแยกแยกแยกแยกกันและไม่ให้นอนร่วมกับพ่อแม่ด้วยอ่าแยกออกให้หมดแยกแยกนี่อิสลามปกป้องอะ่ะเป็นาศาสนาที่ปกป้องก่อนเลยไม่ให้เกิดพอเกิดแล้วแก้ที่หลังเครียดฉะนั้นปกป้องไปก่อนอย่าให้มีปัญหาอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละนะครับ การร่วมหลับนอนกับภรรยานะครับหลังจากการแต่งงานแล้วเป็นความดีมีรางวัลเป็นสตอกก็ที่มาจากอัลลอฮฺสุบบฮิห์นะฮฺอัตะอาลลนะครับ <c oughs> ถ้าหากมีมีเซ็ก <c oughs> มีเซ็กเยอะๆทําไงนะ <c oughs> ให้ถือสินอดเยอะๆที่กัมที่น บ, บี ก, กําหนดกับวันจันกับวันพฤหัสทามากกว่าก็วันพุธวันศุกร์แล้วก็ถือไปอีกเพื่อเพื่อที่จะอาะคอนโทรลอย่าให้อารมณ์เซ็กเราีนมัน มันมั น, ม, นมันเพิ่มขึ้นแต่ต้องลดสายตาด้วยนะอย่าไปดูหนังเอสนะอย่าไปดูตอนนี้มันเปิดง่ายเหลือเนกะินน่ะโทรศษสาปมานะพอกดภาพหาได้หมดเลยอนะัลลอฮฺอักุวัตประโยชน์ก็เยอะปัญหาก็เยอะนะ ต, ต้องควบต้องควบคุมอารมณ์นะควบคุมอารมณ์แล้วมันขอดูอา้าวต่อเราขออย่างนี้ถ้าหัวใจเราสศกโศกมากเอามือจับนะอกขออย่างนี้ um อัลลอหฺฮุมมาต้อฮิสกอญบีโออัลลอฮฺโปรดรักษาหัวใจของฉันให้สะอาดด้วยเถิด ว่าหัสินฟญ์ีรักษาอาวัยวะเพศของฉันด้วยว่าวักฟิ ร, ร์ดาบีโออั Allah, ลลอฮฺโปรดอภัยโทษในความผิดของฉันด้วยต้องขอรู้อาให้กับตัวเองฉช่นท่านพ่อแม่บังกันกลูกเราเนี่ยเป็น้องเราต้องขอความคุ้มครองจอากอัลลอฮ์เชา้าเชจะไปโรงเรียนนั่งเอามือจับหนะ้าอกลูกๆทั้งลูกหญิงและลูกชายแล้วขอรู้อาถ้าเป็นลูกผู้ชายอัลลอฮฺมาตฮีรกขลเบหู Wahsinn fardahu, wakfir zambaru. Tapi luki ingin Allahumma tahir qalbaha, Wahsinn fardha, wakfir zambara. Tung mohon kau doa terus. Luki kau tolongi orang dulu. Kau tolongi orang dulu. Kau tolongi orang dulu. Kau tolongi orang dulu. Kau tolongi orang dulu. Kau tolongi orang dulu. Kau tolongi orang dulu. Kau tolongi o r a n Kau n a n Kau t o l Kau t n a n l u k u t o a n a u t o l n i o a n g a t a n g a l i o a n g d Kau a l l a n u l u a u a u l u k n i o a n g a t a n g a l i o a t a n ให้ล <c oughs> <blueberries> ูกผู to, ้ชายลูกผู้หญิงขอด้วยให้มีสามีคู่ครองที่ดีนะครับแาบนี้เป็นต้นนะต่อมาครับวะล่ะทีนัหุมลื่อมานาตี่หิมวะอัลเดหิมรอห์วะล่ะทีนัหุมเลื่อมานาตี่หิมวะอัลเดหิมรอห์ อัลลอฮฺอัลบาตูนี้ดีมากเลยอาย่านี้มีสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องอามานะวันลาดีนาฮุมลีอามานาตีหิมยบรรดาผู้เอาเอ า, เอาแปรแปรรออวุณก่อนรออวุณแปลว่าผู้รักษาผู้มันเอาใจใส่ก็ได้นะรออวุณแปลว่ามันเอาใจใส่ดูแลสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งเลีมานาตีหิมสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากพวกเขาประชาชนเขามอบหมายอะไรไว้นะต้องดูแลให้ดีเรียกว่าอามานะนี่เป็นสิฟงฝของนบีแต่เป็นสิฟงฝของใครนะคนผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องเอาใจใส่ดูแลเรื่องอา م ا นะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งหัวดีหิมและดูแลเอาใจใส่นะครับ สัญญาของพวกเขานะครับ Allah. อโลยานี่มีกี่เรื่องนะสองเรื่องวัน ล, ล้ีนาหุมลีอามานาติหิมรอวะดีหิมรอและบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้มันเอาใจใส่ดูแลสิ่งที่ได้รับมอบหมายก็คืออามาณะนี่เป็นผูพจพธนะอามาณาติหิมถ้าอามาณะเป็นเอกพจน์นี่มันพหูพจพธ อมามาน่ ung, หาหลายๆเรื่องที่เขามอบมอบมอบมอบกันมาเนี่ใช่ไหมต้องดูแลมันรักษาเอาใจใส่ให้ดีภรรยาเราเนี่ยเป็นอามาน่าใช่ไหมลูกๆเป็นอามาน่าใช่ไหมต้องดูแลให้ดีนะอย่าให้ลูกตกนรกอย่าให้ภรรยาตกนรกอย่าทําให้ตัวเราตกนรกเพราะภรรยาเพราะลูกต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีมีผู้หญิงซอบา้นานนบีซอบ้านเป็นเป็ผู้หญิงซอบา้านนบีสมัยนบีนี่นะ ชื่อตอน้นราคาขจาว่าชื่อตอนราคานะลูกมีกี่คนที่คนตายหมดตายหมดเลยอะเรามีลูกคนสุดท้ายนี่นะก็ไม่สบายแล้วสามีนี่ออกไปทำไปทําธุรกิจไปประมาณประมาณเจ็ดแปดวันถึงสิบวันตอนไปนี่ลูกไม่สบายวันที่สามีกลับนะ่ละลูกตายพอลูกตายเสร็จแล้วสามีกลับมาทำกลับมาบ้านว่าถามว่าเธอลูกเป็นยังไง ภรยาต่อวันลูกสบายดีแต่ลูกตายแล้วลูกตายแล้วแต่ไม่ยอมบอกอะ่ะสามีก็เสร็จแล้วก็มาก็มาอาบน้าอาบท่าเสร็จแล้วก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็ร่วมหลับนอนกันพอร่วมหลับนอนเสร็จภรรยาก็ถามถามถามสามีว่านี่ถ้ามีคนเขาเอาของมาฝากไว้ที่บ้านแล้วเขาจะมาขอคืนกับเนี่ย ที่ว่าเห็นอาไปยังไงอก็คืนเป็ขนของของเขาเพราะว่าอย่างนั้นพยาบอกว่าลูกของเขาที่เอาเราให้มาน่ะเสียชีวิตแล้วเนี่ยฉันมาด้บอกพี่ให้พี่อาบน้ําก่อนทานอาหารก่อนร่วมหลับนอนกันเอาเราจะที่พัสสามีเป็นคนที่ร้องไห้เก่งอ่ะร้องร้องไม่ออกมานั้นเน่ะพอพูดไปแล้วว่าถ้าของเขาฝากมา ถ้าอัลลอฮ์ถ้าจะขอก็จะเอากระเให้ไหมให้นี่ลูกตราตายแล้วพูดไม่ออกนี่ภรรยาเขาฉลาดเนี่ยฉลาดในการบริหารครอบครัวนี่เป็นอำนาจกองมือจันนะเรื่องใหญ่มากนะแะนั่นภรรยาต้องตรู้ใจสามีด้วยว่าสามีชอบอะไรแล้วก็เล่าคนจะเล่าตอนไหนบางทีเล่าตอนเช้าก็ได้บางคนมาเข้าบ้านเล่าเลยมีไหมพอสามีเข้าบ้านเล่าเล้ปัปับปบปับาเรื่องเครียดหมดเลย แล้วก็สามีมารู้เรื่องเครียดๆตรงทีนอนไปหลับใช่หรือไม่ใช่ภรรยาต้องรู้เออเรื่องนี้ไม่เล่าเล่าตอนเช้าหลังจากกินอาหารชาแล้วก็เล่ามันต้องมีวิธีการเนี่ยบรหารนี่เป็นอามานะนะดูแลครอบครัวยังไงอย่าให้มีปัญหานะครับอัลฮัมดุลิลลา์วัลลาฮิณาฮุมลิอามานาติฮมวะอะฮมราอูนเลบัดา ที่พวกเขาเป็นผู้มันเอาใจใส่ดูแลสิ่งที่ได้รับมอบหมายออต้องดูแลให้ดีลูกดูแลให้ดีตองเรียนทั้งสองอย่างนะทั้งศาสนาและสามัญ น, นะครับแล้วก็ต้องมีศาสนาด้วยต้องปฏิบัติมาเอาสุนานะบิดนี่ละหข้อ10ข้อ11ข้อในอายันี้เนี่ยเอาไปใช้ในบ้านของเรา ท, ทั้งทุกคนนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีอามานนะ ถ้าผิดสัญญาเรื่อยเนี่ยเข้าหลักของกลุ่มไหนมนาฟิกอันฮะดิษนบีสอนอย่างนี้อายะตลุลโมนาฟิกซาลาสุนเครื่องหมายของคนมมนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกนะครับมีอยู่สามเรื่องอิจาฮัดดาสากาดาบเวลาเขาพูดเขาโกหกอัลลอเป็นองคข้อที่สองว่าอิจาวะอาดอัคลาฟเวลาเขาสัญญาเขาผิดสัญญา ว่าอาตูมีนาคอนาเวลาเขารับความไว้วางใจเขาก็บิดเพริยวฉะนั้นพยายามรักษาอมมามะนะกับสัญญาอายาที่แดเนี่ยให้ดีถ้ารักษาไม่ดีถูกตำหนิว่าเป็นมูนาฟิสมูนาฟิ่เป็นกลุ่มชนที่เลวที่สุดในโลกนี้แล้วก็เข้านรก น, นรกชั้นํำที่สุด นรกต่าที่สุดเลยอัลลอฮ์โกรธเพราะว่าอัลลอ์ท้าวว่าคนกลุ่มนี้ทำให้สังคมเนี่ยเสื่อมเสียเสียหายนะครับอย่างนี้เป็นตน้นอตัตมากับอายาติกาววันล้วีนัุ่มอาล่าสลวัติหิมยูฮาฟิซูนวันล้วีนัุ่มอาล่าสลวัติหิมยูฮาฟิซูน Allahu Akbar และบรรดาวันละีนะฮุมและบรรดาที่พวกเขายู่ฮาฟิลูนเป็นผู้รักษาอาลาสลาวาที่หิมในการทำนามาดของพวกเขานี่ข้อที่นี่ข้อที่เก้านะข้อที่หนึ่งรักษานามาดข้อที่เก้าก็รักษานามาดเหมือนกันข้อที่หนึ่งไม่ใช่สิ นามาดแบบไรนะแบบคูชัวข้อที่เก้าเนี่ยนามาดต้องรักษาเวลาของนามาดโอเริ่มต้นด้วยการ น, นามาดลงท้ายด้วยนามาดมีนามาดทั้งสองแต่ความหมายไม่เหมือนกันอายาแรกเนี่ยอัลลอฮฺนะฮุฟซีสลาติฮิมคอชยานเขานามาดด้วยท่าทางที่คูชัวนอบน้อมและกระถอมตนนอบน้อมถอมตนเนี่จะได้มายัางไงผมอธิบาย เพียงเล็กๆในน้อยนั้นมีอยู่4ี่ข้อห้าข้อข้อที่หนึ่งอย่านุ่งกางเกงยีนรัดข้อที่สองสายตาเนี่ยให้จ้องมองในที่สามที่ถ้ายืนมองที่สุยุดถ้ารูกกว้ามองที่ปลายเท้านั่งอัตหยามองที่ปลายนิ้วมือนะครับเรื่องที่สี่ต้องนึกนะครับว่าฉันนำมา นามาศครั้งนี้เนะี่ยเป็นนามาศสุดท้ายเพื่อลาโลกดุงยาแล้วฉันจะลาโลกดุงยาแล้วไม่มีโอกาสได้นามาศสุโธดแล้ววันนี้นามาศสุโบต่ผ่านมาใจนึกฉันนามาศครั้งนี้เป็นนามาศสุดท้ายลาโลกดุงยาจะไปพบกับอัลลอฮ์แล้วแล้วก็ข้อที่ห้าพี่น้องครับรู้ความหมายในบทดูอาร์ที่เราอ่านใจสงบอินชาอัลลอฮ์ มีทั้งหมดประมาณยี่สิบกว่าข้อนะแต่เอาแค่เรื่องที่เราสามารถทําได้ไง่ายๆตอนนี้มีอยู่ห้าข้อเดีวยวกันสายตาที่สําคัญที่สุดสายตาสําคัญที่สุดยิ่งเราอยู่ซอกหลังเนี่ยมีข้างหน้าเราหกซอกเนี่ยลอ้อนี่เดี๋ยวนี้ที่ข้างหลังนักเรียนไม่เคยมีนะอบตภูเกต็อตอบตพังงาอบตเราก็นั่งมองนีมีกี่จังหวัดเนี่ยแต่ท <laughs> ่านถ้าใส่เสื้อไม่มีอะไรนะไม่มีภาษานะอ๋าอก็สงบ ทีนถ้าจะมองก็มองก่อนพอตักบ็ดจบอย่ามองไม่ใช่ตักเบ็ดไปแล้วก็มองไปอย่างงี้ไม่ได้นามาตไม่คูช่วยถ้านามาตไม่คูช่วยอลัลลอฮฺตัดตัดตัดตัดเหลือบางทีเหลือหนึ่งอ่ะบางทีเหลือศูนนะ่ะนมาตไหมนาม า, ม า, มาแต่ผลบุญไม่มีและอาย่านี้ต้องการจะบอกว่าเมื่อเข้าเวลานามาตต้องรักษานามาตอย่าให้นามาตที่มันผ่านไปเวลาผ่านไปแล้วสองชั่วโมงยังนั่งคุยกันอยู่เลยแต่อาย่านี้ต้องการสอนอยังไงนะ วันลาดีนาห์มอาดาสลวะที่หิมยูฮาฟิลูนและบรรดาที่ภูเขาเป็นผู้รักษาในการนำมาตของเขาพี่ต้องสังเกตนะสลาวาเด็กเอกภพหรือภูพจภ์พดทุพน์แสดกว่านามาทุกรายการอา้าวนมาวันหนึงห้าเวลาตรงตรงไรนะต้องเข้าเวลาพอเข้าเวลาปั๊บรีบเรียบนำมาเลยเรื่องที่สองนามารวาเต พผจบนมาดอะไรนมาดไอ้ฟัดดูเสร็จแล้วอ่านสุภาษณ์นรอดจบแล้วเรียบนำมาเลยใช่ไหมแล้วก็นมาอะไรนีามาดูหามัตามาเนี่ยเพราะนามาดเป็นพภุพจน์มชเอกพศพกระก้าใจนะจะนั่นเรื่องนมาดมีสองรายการที่ยิ่งใหญ่นมาด้วยท่าทางที่ขรชัวะกับรักษาเวลานมาดท่านเออท่านท่าน ท, ท่านท่านท่านนาบีสอนอย่างนี้นะครับอัสรดาตัฟีอววะลีวัตติฮะนมาที่ดีที่สุดเนี่ยนะให้ทําเมื่อเข้าเวลานมาใหม่ๆเมื่อเข้าเวลาปั๊บเนี่ยให้รีบนมาเลยมุสลิม่มาที่อยู่ที่บ้านได้ยินเสียงอาจารปั๊บนี่นะปิดงานทั้งหมดไปนมาก่อนไปแปลงฟันก่อนอาบน้ำนมารีบมานมาก่อนผู้ชายาร่วมกันทุกครั้งเมื่อนึกถึงเวลานมาต้องนึกถึงมสัสยิดก่อน ออกจาก บ, บ้านเดินมามาสัสยิดเลยนี่แหละอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เมื่อให้นามาตเมื่อเริ่มเข้าเวลาใหม่ๆเราตั้งหนวไว้แล้วเนี่ยหลังจากอาซากิดนาที15นาที10นาที 15, าทแต่ซุบโบนเนี่ยมันไวไปนะอัลลอฮฺากว่วา น, นักเรียนจะมาจะาขอพักไม่ได้นามาซุนัดก่อนฟัจรีใช่ไหมอ่านานามาแล้ววิ่งเข้ามาเข้าซอมเลยเพราะว่านามาอนี้มันไวไปหน่อยมันน่าจะ เผื่อไว้สักยี่สิบห้านาทีใช่ไหมในต่างประเทศนะก็จัดเขาเหลือว่าจะพวกเราเนี่ยคนเก่งหมดเลยนะหลังจากอาจารยห้านาทีตั้งแถวแล้วโอ้โหอัลห้ามอยู่เลยละชั้นหนึ่งจริงๆแสดงพวกเราไม่ตื่นก่อนอาจารย์ใช่หรือไม่ใช่ครับพี่ท้องสังเกตนะวันละดีนะฮุมอัลสอลาวาที่หิมยูฮาฟิรูนสอลาวาตเป็นผู้หุบทนมาทุกรายการต้อง เข้าเวลาแล้วก็ต้องคุชัวด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเอาไมาครับพี่น้องผมให้กาลังใจคนที่เดินมามัสยิดนิดหนึ่งได้อ่านฮะดิษพบทับซีดอธิบาย ล, ละเอียดยิบเลยนะอธิบายอย่างนี้บาชริลมาชาอินอัลลอฮฺบอกกับนบีและนบีก็บอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับคนที่เดินมานามาที่มัสยิดในเวลามืดมืด จงแจ้งข่าวดีกับคนที่เดินมานามาที่มัสยิดหนเวลามืดมืดก็มีเวลาซุบะเวลาอิชะเวลามกริบสามเวลาเดินมาระหว่างตะวันตกแล้วมืดมืดเนี่ยได้อะไรรู้ไหมบินูริตามยามันติ亚马เขาจะได้รัศมีที่สมบูรณ์ในวันเปียมาคาว่ารัศนีเนี่ยพี่น้องบนดุงยานี้ก็ได้คนที่นา ม, มาสดไม่ขาดแล้วครบบริบูรณ์นะ ราสีนิ้ที่ใบหน้าอาลัลลอฮฺให้มีสังเกตหลังจากตายไปแล้วคนที่นอนอยู่ในกุโบนอนกี่คนใต้ดิน ม, มืดหรือสว่างมืดอะไรให้สว่างนมาดครับนมาดของเราห้าเวลานะครับจะช่วยให้เรานอนอยู่ในกุโบมีราสีครับทามุลิลลาพอฟื้นขึ้นมาในทุ่งมาชัดเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะทุ่งมางชัดสว่างหรือมืดมืดครับบางช่วงนี่มืดมากเลย แล้วจะเดินได้ไงถ้าทศมีษฐ์นมานไม่มีฉะนั้นนำมาช่วยได้นะครับส่งทางให้คนที่นำหมารครบห้าเวลาเดินอยู่ในทุกงมาชัดแบบสนานงามครับแล้วคนคาเฟ่ตมองไม่เห็นครับเดินไม่ได้อะคุณเฉลิมรอรอผมหน่อยรอรอฉนันฉันเดินมองไม่เห็นหรือว่มมารอรอเดี๋ยวทศนีมาเองนี่คุณอ่านสอนอย่างนี้เลยนะรอเองเดี๋ยวทศนิมาเอง ก็เดินคนที่นมาศครบเวลาอาลัลลอฮ์ให้รัศมีสา ม, สามโลกนะโลกดุญยาใบหน้ามีรัศมีที่กูโบมืดมืดแต่แสงสว่างมีในทุ่งมาชัดในที่มืดแต่มีอีมานมีรัศมีแห่งการนมาศเนี่ยส่งทางให้คนเดินแบบสนานงามเลยนครับดูด้นฉะนั้นนมาศขาดได้ไหมไม่ได้ภรยาต้องนมาศด้วยลูกก็ต้องนมาด้วยนะครับ ข้อที่บอุลาอิกะหุมุลวาริซูนอุลาอกะหูมุลวาิซูนเหล่านี้ <c oughs> พวกเขาเป็นทายาททายาทเนี่ยเป็นผู้รับมรดกวารรซ์เนี่ยผู้รับมรดกรับมรดก คนที่นำมาดเป็นมุมินคนที่นำมาดคูชั่วยคนที่หลีกห่างเรื่องไร้สาระคนที่กักผวาหัวใจอย่าให้มีโรคมะเร็งเจ็ดเรื่องที่อยู่ในใจรักษาอวัยวะเพศไม่ทำลีนาเมื่อเข้าเวลานมาดให้เรียบนมาดนอกจากมีความจําเป็นเหล่านี้แหละเขาจะเป็นผู้ได้รับมรดกทำอย่างไรล่ะเพราะว่ามารดกนึกถึงครอบครัวใช่ไหมนึกถึงพ่อแม่นึกถึงที่ดินเนี่ย พอมะระดกภาพเก่าให้ถึงที่ดินนึกถึงบ้านนึกถึงนู่นนึกถึงนี่แต่ตรงนี้คิดถึงที่ดินไม่ได้มะระดกตรงนี้หมายถึงอันลอฮฺนายาบิสุนัลฟิร์ด ا สอัลลอฮฺอวกบมะระดกตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินครับไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านเช่านะครับไม่ใช่รถของคุณพ่อที่เสียชีวิตไม่ใช่ เป็นผู้รับมรดกของสวนสวรรค์อัลฮัมดุลิลฟิร์ดาวส์คำว่าฟิรด้าวส์เนี่ยแปลว่าสวนสวรรค์ครับฟิรด้าวมีทั้งหมดสมความหมายนะคำว่าฟิรด้าวส์เนี่ยมีทั้งหมดสามความหมายนะมมยนะพี่น้องความหมายที่หนึ่งเรียกว่าอัสมาอุลจันนะเป็นชื่อของสวนสวรรค์เลยใครว่าสวรรค์ชั้นสูงที่สุดก็คือฟิร์ดาวส์ เรื่องที่สองนะครับฟิดดาวแปลว่าอาลลัลญันนะเป็นสวรรค์ที่สูงที่สุดอาฟิดดาวเรื่องที่หนึ่งเป็นชื่อของสวนสวรรค์เรื่องที่สองสวนสวรรค์ที่อยู่สูงที่สุดอยู่ติดกับบาลามของอวโลกสุภานาหูวะตาเลเป็นองคน์่องยิ่งใหญ่มากนะเรื่องจริงนะงานนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกนะเรื่องที่สมนะครับจาจาบาลุญญันนะ เป็นภูเขาแห่งหนึ่งที่มีตาน้ำเนี่ยไหล อ, ออกมานะครับตาน้มที่ใช้กันในในสวนสวรรค์นะครับมาจากนี่น่ะฟิฟิเดาเป็นตาน้าอันหนึ่งที่ไหลมามีอยู่ทั้งหมดสามสามสามสายการแตลจะสามอย่างหนึง่งเป็นชื่อของสวรรค์ฟิิเดาแปลว่าสวรรค์ชั้นสูงที่สุดอันที่สามตาน้าที่ไหลออกมาจากฟิเดานี่นะมาบริหารดูแล คนที่อยู่ในสวนสวรรค์ทั้งหมดมีอยู่สามสามความหมา ย, ยนะครับ <c oughs> แต่ต ร, ตรงนี้ฟิล์นดาวนี่หมายถึงสวนสวรรค์ที่อัลลอ์จัดไว้กับคนที่อัคราของเขามารยาของเขาสิ่งที่อัลลอฮ์สัมม่งในปฏิบัติดูแลรักษาครบกี่รายการนะเจ็ดดเก้าเก้ารายการนะครับเขาจะเป็นผู้รับมรดก มาระดบยาตีเป็นที่ดินทรัพย์สินแต่เป็นสวนสวรรค์ที่อัลลอฮ์จัดไว้ให้กับผู้ศรัทธาขออัลลอฮ์ที่มีอัคลากมารยาทของท่านนบีแลวเราก็เอาารยามารยาทท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในฮะดีษอธิบายต่อไปอีกครับอัลลอีนายริสูนัลฟิรดาวสฮุมฟีฮาขาลิดูน พุ่ฮพวกเขาพำนักอยู่ในนั้นคอดิดูนใบว่าไดนะตลอดไปเลยไม่มีวันออกไม่มีวันหมดอายุนั่นอะโลกใบสุดท้ายเนะี่ยที่เรายอกันอยู่เนี่ยใยอไหม อ, อัลลออักบัดยิ่งใหญ่นะพี่น้องยิ่งใหญ่มากนี่ไซนาะอุมตร์กสอบาห์อบีแต่เขาไม่มีออฟฟิศทำงานนะ่ะ ออฟฟิศทำงานแบบพวกเราไม่มีเขาใช้มัสยิดเขาถามว่ามีคนไม่ใช่มุสลิมนะเข้ามามาหาแล้วก็ถามว่าคุณมานั่งทํางานอยู่นี่ออฟฟิศจริงอยู่ที่ไหนอยู่ตรงโน้นเขาชื่ออยู่ที่นน่นอะอยู่ที่ไหนที่โน่นน่ะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ออฟฟิศจริงอยู่ในสวนสวรรค์อยู่ที่นน่นชื่อกันอยู่ที่นน่นอยู่ที่โน้น เขาถามนี้ไหลายครั้งครับพุทธาถามทที่จริงๆอาฟิชกัอยู่ที่ไหนอยู่ในสวนสวรรค์ก่อนแล้วนี่มอาฟิชชัวร์ครับเอาฟิชจริงนู่นสวนสวรรค์ฟิชเด้าไงนี่ววิญญาณของพวกเขาทํางานอยู่บนโลกดุนยาเบนิหัวใจผูกพันกับโลกอาคีระองตลอดเวลานี่ไงพี่น้องครับซาบานาบีหัวใจผูกพันกับอาคีระองหมดเลยนะ ท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับอธิบายเรื่องนี้ไงอุล um ah um ัยเอกหุมุลวารีสูนอัลลาฮนายาดีสูนนันฟิรเดอสหุมฟีฮาคอลีดูนท่านนบีสอนบอกว่าพวกเราทุกคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีที่อยู่อาศัยสองที่ที่อัลลอฮ์จัดไว้มาต้องซื้อมาต้องจองจัดให้เลยสองที่ด้วยกันที่ที่หนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์และที่ที่สองอยู่ในอยู่ในนรก จัดให้เลยอยู่สองที่เอาพี่น้องเลือกเอาจะเอาไปนรกหรือไปสวรรค์เชิญตามสบายถ้าจะไปสวรรค์ทําให้เป็นอ่านกุรอานอ่านซุนานะดะบีจะรู้เลยอ๋อทางไปสวรรค์เป็นอย่างงี้นะนี่อย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้ น, น, นี่อ่านซุราะมุมินีนแค่สิบอาย่านี่แหละรู้เลยว่าคนชาสวสวรรค์ต้องทําตัวยังไงอัลฮับยูริลละดีไหมเอาสรุป มนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้จะเป็นกาเฟตมุชริกมุนอาฟิกยาฮูดี น, นัสร์นีมุสลิมหรืออะไรก็ตามอัลลอฮ์จัดที่อยู่อาศัยของเขาไว้มั่นซิลานี่มีที่อยู่อาศัยอยู่สองที่ที่ที่หนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์ที่ที่หนึ่งอยู่ในนรกจะหัน่นนำอาเป็นน้องเลือกเอาขอขอ้อนวอาให้พวกเราทุกคนไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตออาแลานะครับพี่น้อง อ๋อดีมากครับพี่น้องเอาต่อมาครับข้อที่สิบสองว่าแล้วก็ด้ خلقنا الإنسان من سلالة من طين Allah أكبر ว่าแล้วก็ด้ خلقنا الإنسان من سلالة من طين a l l a أكبر โดยแน่นอนยิ่งวาราก็ประวะโดยแน่นอนยิ่งคอ l ัก h าเราได้สร้างสร้างมนุษย์นี่นะครับแล้วก็ให้รับคุณสมบัติแ9เ้าข้อที่ผ่านมานี่ี่น้องมินสุลาและสร้างมาจากมินมินมินมินตีนก่อนสร้างมาจากดินสุลาและปรลว่าที่อะไร่ะ ที่แกนแท้แกนแท้ของดินนี่ยนะไม่ใช่ดินธรรมดานะเอาแกนของมันน่ะเอาที่มาของมันแกนแท้แท้ของมันเลยนะเอาล่ะที่กรองแล้วที่ที่อะไรนะที่กรองแล้วที่ตรวจแล้วที่กรองแล้วกรองอีกเอาดินที่ดีที่สุดเศษส่วนที่ดีที่สุดของดินเนี่ยอ่ะเอามาสร้างเป็นนบีอาดัมอะลัยฮิสซาลา แสดงว่าดินที่อลออยเลือกมาเนี่ยที่กรองแล้วเนี่ยนะเอามาสร้างนาบีอาดัมนะ่ะสามารถรับเรื่อง89ประการนี้ได้แบบสง่างามเลยนามาแบบกุชวะรับได้ไหมได้เลียกหาเจเรื่องไร้สาระทําได้ไหมดินก้อนนี้แหละทําได้เมื่อเป็นมนุษย์แล้วนะ่ะสามารถที่จะรับนามาแบบกุชวะก็ได้เรียกหาเจอเรื่องไร้สาระก็ได้ โรคมะเร็งเจ็ดรายการออกหางได้ไหมได้ดินก้อนนี้แหละที่สร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยสามารถรับได้ไหมรับได้อย่างดีเลยแล้วก็นํามาตรงเวลาทําได้ไหมเมื่อเข้าเวลาปั๊บเนี่ยทำได้เลยรักษาอามาน่ได้ไหมได้แล้วก็รักษาสัญญาได้ไหมได้รักษาดูแลภรรยาสามีได้ไหมได้ดินก้อนนี้แหละสามารถรับได้เจ็ดแปดประการที่ผ่านมาทั้งหมดสง่า ง, งามไหม ทางงาจะนันเราเนี่ยเป็นคนดีได้ไม่แล้วก็เป็นคนชั่วก็ได้ด้วยถ้าไม่เอาก็เป็นคนชั่วถ้าอาก็เป็นคนดีจะนั้นคนที่เอาคุาณอ่านเนี่ยแปดเจ้าอายาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจาวันเขาเลือกที่อยู่ในสวนสวรรค์ถ้าก็หันหลังให้กับแปเจ้ารายการนี้เขาเลือกที่อยู่ในนรกอย่างแน่นอนครับทีนี้มนุษย์เนี่ยพี่น้อง เขาบอกอินซานี่นะอินซานมินสุลาลาติมมินตีเนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรนะถูกสร้างมาจากมาจากแกนแท้ที่กรองแล้วของดินเนี่ยนะมาถึงสร้างใครสร้างนาบีอาดัมมนุษย์นี่นะถูกสร้างมานะเขาเรียกว่าเจ็ดขั้นตอนมนุษย์ทุกคนนี่นะอัลลอฮ์สร้างมานะผ่านเจ็ดขั้นตอนอ้าผ่านเจ็ดขั้นตอนนะไปนออ้องข้อตอนตอนที่หนึ่งจากดิน เนี่ยเครื่อวิวัฒนาการทีละขั้นละขั้นละขั้นละขั้นละขั้นเจ็ดขั้นตอนครับกว่าจะเป็นมนุษย์นะมาจากดินเนี่ยกว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยเจ็ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งจากดินขั้นตอนที่สองจากน้ําอสุจิอัลลอฮฺอัลลอฮฺสอนหมดเลยไม่ต้องใช้ปัญญาเองเลยไม่ต้องเป็นงแตไปอ่านอย่างเดียวขั้นตอนที่สมก้อนเลือด จากอสุติและเป็นก้อนเลือดขั้นตอนที่สี่เป็นก้อนเนื้อขั้นตอนที่ห้าเป็นกระดูขั้นตอนที่หกเนื้อหุ้มกระดูการทำสวยไหมสวยอร่อโโดยดิกระดูอยู่ข้างในเนื้ออยู่ข้างนอกใครทำได้ <laughs> อะอัคคบัยิ่งใหญ่สวยมากขั้นตอนที่เจ็ดเปลววิญญาณ นี่นะการสร้างมนุษย์ของอัลลอฮ์เจ็ดขั้นตอนครับ Allah, อัลลออะลัอะสซาดขั้นตอนที่หนึ่งจากดินขั้นตอนที่สองน้ําอสซูจิขั้นตอนที่สามก้อนเลือดขั้นตอนที่ 2, สี่ก้อนเนื้อขั้นตอนที่ห้ากระดูกขั้นตอนที่หกนเนื้อหุ้มกระดูกขั้นตอนที่ 5, ท 6, เจ็ด 7, เป่าวิญญาณเข้าไปในร่างาก็กลายเป็นคนอัลฮามดุลิลลาฮฺเป็น้องสังเกตนะจะนั้นลูกเราเนี่ยนะ ที่อยู่ในท้องเริ่มดินตอนไหนขัน้ตนตอนที่แปดขอที่เจ็ดพอเปลววิญญาณปับเริ่มดินและ ว, วันน้ยลูกมาดินนะ่ะแม่เครียดวันพุะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยรอตายหรือไม่ตายไปท อ, ง น, นองนั้งกันมุษย์มีอยู่เจ็ดขั้นตอนสวรรค์ไอชั้นฟ้าเท่าไหร่กี่ชั้นเจ็ดแผนดินคำว่าเจ็ดเจ็แล้วก็โรคมาเร็นตะกี้มีทมดเท่าไหร่นะเจ็ด โรคเจ็ดนี่อ๋ออะไรก็ว่าเนี่ไม่ใช่เอาไปเอาไปทำลายอะไรมันไม่ใช่เอาโรคให้คิดทั้งหมดเล่นะโรคมาเร็มที่จะทาลายมนุษย์ษยกย็มกี่กี่ประการนะเจ็ดประการอะไรบ้างซริกริยากิบบบดุนซัดบัคลฮารสัสเจ็ดประการท่า น, น, นคนจะเสียนะจะทาลายตัวเองถ้ามีโรค มาเร็งเจ็ดประการถูกทำลายแน่นอนเลยพ่อนอนอล่ะเรื่องจะอธิบายไม่เยอะไป น, น้องเอาอานแค่นี้ก่อนนะครับวลาพอดาคราคุณนัลอินซันมินสุแล้วเติมมินตีนโดนแน่นอนยิ่งเพื่อที่จะได้มีคุณสมบัติข้างต้นเนี่ยมีนมาตรงเวลามีนามาดืวอคูชั่ว ออกห่างจากความชั่วเรื่องรายสาระโรคมาเร็งเจ็ดรายการไม่สะสมไว้ในตัวขจัดออกให้หมดนี่นะรับได้ไหมรับได้เพราะอัลลอสร้างคนมาจากดินกว่าจะเป็นคนขั้นตอนทั้งหมดเจ็ดรายการด้วยกันหนึ่งจากดินสองจากน้มอสุจิสาจากก้อนเลือดสี่ก้อนเนื้อหกระดูกหกเนื้อเนื้อหุ้มไอเนื้อหุ้มกระดูกเจ็เปลววิญญาณ ล, ลงไปในร่างกายของมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ทันทีพี่น้อง ทีนี้อาหารก็เหมือนกันอาหารของมนุษย์จะมีอยู่เจรายการเหมือนกันในสุรอะบาสาวาตาวัลละไปจะเกิดดูเปลี่ยนมาพวอ่านได้ฟังก็ได้นะฟอัมบัตนาฟีฮะฮับบาวะอินเบาวะกัตบะวะเจตูนาวะนัคละ ว่ฮาดาอิคุลบาว่ฟะกิฮะตะว่อับบาตรงนี้แปดรายการรายการที่แปดเป็นอาหารของสัตว์เจดรายการเป็นอาหารของมนุษย์มนุษย์ถูกสร้างมาเจ็ดขั้นตอนอาหารก็เจ็ดขั้นตอ น, น, นการมีอะไรบ้างอ่านให้ฟังเลยฮัฟ บ, บันเมล็ดพืชเป็นของมนุษย์ไอนาบันองุ่นกอตบันพืชผัก ไกตันั้นนมันมะกอกหรือต้นมะกอกว่นาคลังอินทผลัมว่าฮาดะอู่ับกุหลาบสวนที่ขึ้นทุบว่าฟากีันผลม้นี่เป็นอาหารของมนุษย์ที่อัล a อฮจัดไว้อัลลอสร้างเรื่องนี้นะสีวันนะพีน้องสร้างมนุษย์มาณวันเดียววันเดียวแต่สร้างอาหารสำหรับเลี้ยงมนุษย์กี่วันสีวันกัวจน สร้างตั้งสีวันสร้างมนุษย์วันเดียวแล้วกลัวจนอีกกลัวตายอีกอาหารจะหมดโลกกลัวทําไมอร่อยเนี่ยถ้าใช้ปัญญาอร่อยอร่อยสง่า ง, งามว่าอับบาอับบาเบวาญาคนกินหญ้าะหรือสัตว์กินหญ้าสัตว์เนี่ยอร่อยเลีเ้ยงทั้งสัตว์ยังมาดูแลคนอ่ะเจ็ดรายการดูแลสัตว์รายการเดียวเอายาเข้ามา แล้วใครที่ไปเลี้ยงสัตว์เอาอย่างอื่นเข้าไปกินระวังเป็นโรคอ่ะที่ผ่านทานมาเนี่ยโรคใช่ไหมล่ะโรครอะไรต่างอะไรเต็มไปหมดเพราะว่าผิดธรรมชาติที่อัลลอ์วางไว้อับบาเบวาาผมอ่านให้ฟังนะฟัมบัตนาฟิฮาฮับบัวะอินบวะกบบะวะเจตูนูวะนัคละวะฮะดยกลบะวะฟาฮะตวะอับบะ นี่เป็นอาหารของมนุษย์เจด ร, รายการรายการที่แปดอับบามายถึงญ้าสหรับสัตว์เนาขอบคุณ a l l h ครับละเอียดชีวิตเราละเอียดวันนี้หมดเวลาคับ s u b h a d i f r a b a a i s